ลำดับที่ส0เมื่อวันที่ย0สธันวาคมพุทธศักราช2552โดยพระคันจิตคุณวรวรร กุ่ยเลกรรมฐานเรื่องของวรณสติกรรมฐานต่อจากคราวที่แล้วจําได้นะคราวที่แล้วในเรื่องของเศรษฐีใจดีใช้สมบัติกันไปอย่างไรบ้างนะหลังจากอาทิตย์ที่แล้ววันนี้จะเข้ามาสู่ในเรื่องของการฝึกนะเรื่องของขั้นตอนของการฝึกอาทิตย์ที่แล้วนั้นก็เรียกว่าให้คอนเซ็ปต์ให้คอนเซปตให้แนวคิดในการที่เราจะมองดูโลกและชีวิตเพราะว่าคนเราสนใจมักไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ตนเองกําลังมีอยู่ ทั้งๆ ท, ที่มันมีค่ามาตอนเมื่อจะต้องเสียมันไปนจึงจะเริ่มเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่า น, นี้ฉนันไหนก็ฉันนั้นกับเรื่องของชีวิตของเราหรือแม้แต่การที่เราได้มีโอกาสได้มาพบพระพุทธศาสนานั่นแหะเป็นสิ่งที่มีค่าที่เศรษฐีจะดีก็คือธรรมชาตินั้นให้มากับญาติโยมกาวที่แล้วอราจมาได้กล่าวทิ้งไปแล้ววันนี้ จะมาพูดถึงในเรื่องของการฝึกที่เรียกว่าฝึกมรณสติคงใช้เวลากันประมาณสองชั่วโมงด้วยกันก็คือตั้งแต่สิบโมงจนกระทั่งถึงเที่ยงแต่จะมีพักเบรกก่อนที่จะฝึกกันจริงๆในช่วงแรกนี้อาตมาจึงอยากจะพูดถึงคําว่ามรณะแล้วก็แนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องของความตายว่าความตายคืออะไรแบ่งเป็นยังไงบ้าง รวมไปถึงในเรื่องของขั้นตอนในการฝึกว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรส่วนในชั่วโมงที่สองจะให้โยมเริ่มฝึกจะให้โยมเริ่มฝึกในเรื่องของตัวมรณสติตัวนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เนื้อหาจะต้องเริ่มตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตอนนี้เลยเมื่อพูดพูดถึงคาว่ามรณะคนส่วนใหญ่มักจะหวาดกลัวไม่อยากให้เกิดกับตัวเอง หรือว่าไม่อยากให้เกิดกับคนที่เรารักยิงถ้าพูดถึงเรื่องความตายในวันเกิดเนี่ยบางทีเขาก็จะโกรธเลยอันนี้คือคนที่ไม่เข้าใจเพราะว่าความตายนั้นเป็นของที่ทุกคนจะต้องเจอสุดท้ายแล้วชีวิตต้องเดินทางไปสู่ความตายซับปรสิ่งเหมือนกันต้องเดินทางไปสู่ความแตกต่างด้วยความเสื่อมสลายทั้งสิ้น ในเรื่ของมรณะหรือความตายในทางพระพุทธศาสนานั้นอาจารย์ในสมัยก่อนก็มีการจัดแต่งออกมาถ้าอย่างถามคนที่นั่งอยู่ที่นี้มีใครอยากตายเร็วเร็วบ้างมีไหมไม่มีมีบางท่านบอกนะปร ะ, ะยักหน้า <laughs> แต่ว่าที่เราบอกว่าเราไม่อยากตายเร็วเ็วเนี่ย เพราะว่าเรายังไม่ได้เข้าใจอะไรบางอย่างเราอาจจะยังไม่เข้าใจอะไรที่เป็นบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของมรณะหรือความตายเพราะฉะนั้นเรามาดูความหมายก่อนคาว่ามรณะหรือความตายนั้นก็คือการที่เราขาดหรือตัดจากสภาพหรือภาวะใดภาวะหนึ่งทำใ ห, ให้ไม่รักษาสภาพนั้นได้อยู่อย่างต่อเนื่องเราจะเรียกลักษณะอย่างนี้ว่าตาย ในสมัยก่อนถ้าพูดถึงภาวะจิตท่านบอกว่าจิตที่ไม่สามารถรักษาภาวะกระจิตได้ไม่สามารถอยู่ในภาวะกระจิตเดิมคือจิตที่เป็นพื้นฐานตั้งเดิมของสภาพได้มันก็ต้องเปลี่ยนสภาพเข้าไปจับแล้วก็เป็นภาวะกระจิตใหม่อันนี้เขาเรียกว่าตายขาดความสืบเนื่องหรือขาดความสืบต่อแต่ว่าความตายนั้นถ้าจะพูดถึงมีความหมายกว้างมากกว่านั้น ในคัมภีร์ปกรณ์ที่ชื่อว่าวิสุทธิมักซึ่งเป็นคัมภีร์ที่สรุปหลักคำสอนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาท่านได้แบ่งความตายออกไว้เป็นห้าแบบด้วยกันห้าแบบนี้ยังไงบ้างความตายอย่างแรกลองดูซิโยมอยากตายไหมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าจะถามบอกว่า ให้ตายเร็วกับตายช้าเลือกอันไหนตายช้าทุกคนเอาความตายแบบแรกในความตายแบบแรกเป็นการตัดขาดหรือเป็นการออกจากภาษาธรรมะใช้ชื่อว่าสังสารวัตรมรณะสังสารวัตก็คือการวนเวียนอยู่ในสังสารวัตหรือการเวียนว่ายตายเกิดมรณะก็คือตายสังสารวัตรมรณะก็คือการตายจากการเวียนว่ายตายเกิด ใครที่จะตายแบบนี้ได้พระอารหันต์เท่านั้นพระอารหันต์เท่านั้นสังสารวัฏมรณะคือไม่ต้องกลับมาจากภาวะใดภาวะหนึ่งมาเป็นตัวตนมาเป็นชีวิตอีกไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้อีกภาษาธรรมะเรียกว่าสังสารวัฏมรณะอา้าวถ้าเข้าใจแล้วอย่างนี้อยากตายรด้ยัง แค่อยากตายป้ายกมือหน่อยสังสารวัตรมรณะกลายเป็นเป้าหมายของพวกเราทุกคนเลยใช่หรือไม่ที่มาปฏิบัตินั่งปวดของปวดขายไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปเล่นเนี่ยก็เพราะว่าอยากสังสารวัตรมรณะไม่ใช่เหรอเอาแล้วเมื่อกี้ทำไมไม่อยากตายอันนี้คือคนไม่เข้าใจความหมายถ้าถามญาติโยมบอกว่าโยมไปอวยพรบันเทิงญาติโยม โยมขอให้โยมตายแล้วไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเป็นไงโยม <c oughs> โกโรธเลยใช่ไหมรับรองพระไม่ได้ออกจากบ้านแนะ่แต่เอาไหมตายแล้วไม่ต้องผุดไม่ต้องเกิดเอาไหมมีใครไม่เอาบ้างถ้าเราเข้าใจความหมายไม่ได่นั้นนะสมัยก่อนี่เป็นคำด่ากันด้วยซ้นะโกรธใครมากๆ ก, ก, ก็แช่งใช่ ไ, ไหมตายแล้วขออยาให้ได้ผุดได้เกิดเลยใช่ไหมเป็นไม่เอ๋ยตอนเด็กๆนะ บางทีเขาแช่งช่างากระดกกันอย่างนี้นะนะวันหลังใครมาแช่งยืมอย่างนี้ด้ยุบยกมือสาธุเลยนะสาธุขอให้สมพรปากเถิดนะปรารถนามานานฝึกกันมาตั้งนานก็เพราะว่าอยากจะตายนะไม่ต้องผุดไม่ต้องเกิดนี่แหลน ะ, นะอันนี้เราเรียกว่าสังสารวัฏมรณะะเมันเป็นภาวะที่จะไม่จับเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเป็นตัวตนอีกเลยนะนีความตายแบบที่หนึ่งความตายแบบที่สองความตายแบบที่สอง ภาษาธรรมะตั้งเรียกว่าคณิกะมรณะคณิกะมรณะนี่คือความตายแบบชั่วขณะความตายช่วงขณะเป็นยังไงเอ่ยไม่ใช่ตายแล้วลมาหายใจมันหยุดไปชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ฟื้นขึ้นมาไ ม, ไม่ใช่อย่างไม่ใช่อย่างนั้นคณิกะมรณะนี่โยมเป็นกันทุกคนนั่งอยู่นี่ก็เป็นอยู่คือเป็นภาวะที่จิตมันเกิดดับ สภาพจิตของเราเกิดแล้วก็ดับอยู่ตลอดเวลามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะในขณะเกิดการรับรู้นั่นคือยมเกิดหมดการรับรู้นั่นคือยมดับการรับรู้หรือสภาพรู้ไม่ใช่รับรู้สิ่งที่ตามองเห็นแบบหยาบๆนี้เท่านั้นแต่สภาพจิตนี้จะเห็นว่าเดี๋ยวมันไปรับรู้ที่ตารับรู้ที่หูจมูกลิ้นกายใจรับรู้แล้วก็ดับแล้วก็เป็นสภาพจิตใหม่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับเ้าเรียกว่าคณิกะมรณะ โยมนั่งอยู่นี่ก็ตายกันทับไม่ท้วนแล้วนะดิดนิ้วหนึ่งเปาะเนี่ยจิตเกรดดับไปแล้วประมาณแสนล้านดวงโยมตายกันทับไม่ทวนนะกลัวไหมอย่างนี้ไม่กลัวเป็นอยู่ตลอดนะอย่าคิดว่าตัวเองไม่เป็นนะเพียงแต่ว่าจิตเราไม่ละเอียดพอที่จะสังเกตเห็นว่าเราตายอยู่ตลอดมันดับอยู่ตลอดเท่านั้นเองถ้าจะพูดในความหมายที่กว้างออกมาเป็นความหมายที่ไม่ตรงกับตัวศัพท์ โดยตรงนักแต่เพื่นความหมายเชิงเปรียบเทียบจริงๆแล้วโยมก็เกิดแล้วก็ตายอยู่ตลอดเช่นเกิดความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมานั่นคือยมเกิดความคิดนั้นหมดไปนั่นคือโยมดับแล้วก็จะกลายเป็นความคิดใหม่เป็นความรู้สึกใหม่หรือว่าเป็นการรับรู้โลกแบบใหม่ใช่หรือไม่เป็นไงทางานสมให้ความคิดของตัวเองบ้างม ไม่มีนั่นแหละตายอยู่ตลอดใครว่าไม่ตายละ่ะเอายาวไปกว่านั้นในขณะที่โยมตื่นนอนขึ้นมาโยมลืมตาปุ๊บจากโลกที่มันมืดหรือโลกแห่งความฝันโลกแห่งความฝันดับไปโยมเกิดมาในโลกที่รับรู้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใช่หรือไม่ รับรู้ไปทั้งวันพยมเข้านอนเป็นยังไงโลกนี้นั่นแหละโยมตายแล้วใช่ไหมนั่นแหละโยมตายแล้วร้องไห้ไหมไม่มีแต่อยากจะคลานขึ้นเตียงเร็วๆที่สําใช่ไหมวันไหนเหนื่อยมากๆอยากจะหลับ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นความตายแบบชั่วขณะนะมันเกิดดับอยู่ตลอดนั่นแหละแต่มันมีอยู่ตลอดในชีวิตของเรานะแล้วจริงๆเรานอนตื่นขึ้นมาเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยเราจะพบกับอะไรหรือเราจะเห็นอะไรจะเห็นอย่างเก่าหรือเปล่าใช่หรือไม่หรือแค่นีก็มลนาถ้าจะเอาให้สังเกตให้เห็นชัดมากกว่าเนี้นะในขณะที่ยมลืมตายยมมองเห็นโลกไม่ยมหลับตาโลกนี้เป็นยังไงดับไปนั่นแหละตายแล้วใช่ไหม ลืมตาขึ้นมาก็ไม่ใช่ภาพเดิมนะลองสังเกตดูก็ได้นะอากับกิริยาของคนที่เรามองเห็นมันก็ต่างออกไปแล้วใช่ไหมแสงสีก็เป็นแสงสีใหมนะ่เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวหรอกนิสกะมรณะมันมรณะนั้นเราเกิดอยู่ตลอดแหลนะเพียงแต่ว่าภาพที่เราเห็นในอดีตหรือภาพที่เราถูกปลูกฝังมันทําให้เรารู้สึกกลัวกับสิ่งเหล่านี้ทั้งๆที่มันไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยนะ แต่ว่าเราต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์อ่ันนี้อย่างที่สองนะขณะมรณะอย่างที่สามท่านเรียกว่าสมมติมรณะสมมติมรณะคือความตายโดยสมมติอย่างที่คนกําหนดเรียกกันเช่นต้นไม้ตายไม่ได้รดน้ํามันมันก็ตายใช่ไหมแห้งหนังตายอย่างหนังเกะ หนังที่เอามาใช้ทำกระเป๋าเนี่ยไปตากแดดตากลมตากฝนมากๆเป็นยังไงเอ่ยนะมันก็ด้านใช่ไหมหรือรถสตาร์ทไม่ติดแล้วก็บอกว่ารถตายล้องผมร้องไห้เสียใจไหมไม่นี่คือความตายโดยสมมติมันเห็นอยู่ตลอดอยู่แล้วละนะรถตายหนังตายต้นไม้ตายอย่างนี้เป็นต้น ประการที่สี่ประการที่สี่ในคนเริ่มกลัวแนละท่านเรียกว่ากาละมรณะความตายเมื่อถึงเวลากาลมรณะความตายเมื่อถึงเวลาในที่นี้จะแบ่งออกได้เป็นสองอย่างด้วยกันอย่างแรกเราเรียกว่าตายเพราะหมดกรรมไม่ใช่กรรมทั้งหลายหมดนะแต่หมายถึงหมดกรรมที่คอยอุปถัมภ์คอยขำจุน ทำให้เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้หรือทำให้เรามาจับเอาสภาพรูปธรรมนี้ได้กรรมที่เราทำมาที่จะทำให้รูปธรรมและนามธรรมนี้ทำงานร่วมกันมันหมดกำลังแล้วแต่มันยังมีพิบากของกรรมใหม่อยู่สุดท้ายเราต้องไปจับชีวิตใหม่แต่ไม่สามารถจับเอาล่างหรือสภาพหรือรูปธรรมนี้ได้แล้วอันนี้เราเรียกว่าหมดกรรม ลักษณะของหมดกรรมนี้บางทีร่างกายยังใช้งานได้ดีหมดทุกประการแต่ว่าจูๆ่ๆเขาก็ดับไปเฉยๆอย่างนั้นหรือตายไปเฉยๆอย่างนั้นอาจจะนอนแล้วไม่ตื่นขึ้นมาก็ได้หรืออยู่ในภาวะที่หมอเขาวินิจฉัยว่าหัวใจวายนะแต่จริงๆมันไม่ใช่หัวใจวายหรอกมันเป็นเรื่องของนำมาทำมันทำงานต่อไปได้การทำงานของหัวใจหรือการทำงานของร่างกายที่จะทำงานร่วมกันต่อมันก็ทางานต่อไปได้ ภาวะอย่างนี้ร่างกายยังสมบูรณ์อยู่แต่ว่ากรรมที่ทํามาที่ทําให้เขาสามารถใช้รูปธรรมนี้ได้มันหมดไปแล้วจึงต้องไปจับอรูปธรรมใหม่อันนี้เราเรียกว่าตายเพราะหมดกรรมตายเพราะหมดกรรมอย่างที่สองเป็นการละมรณะถึงเวลาเหมือนกันเ ม, กเมื่อกี้คือกรรมหมดแต่อย่างที่สองนี้ คือสภาพรูปธปรรมมันหมดสภาพที่จะใช้งานได้เราเรียกว่าตายเพราะหมดอายุไขเคยได้ยินใช่ไหมส่วนใหญ่พอคนแก่ตายก็จะบอกว่าตายเพราะหมดอายุไขนี่เรี ย, รยว่าหมดอายุไขนี้เพราะว่าโดยลักษณะโดยสภาพของรูปธรรมมันไม่สามารถทำงานต่อได้แล้วเพราะมันหมดสภาพการทำงานแค่นั้นเหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่ารถ ที่มันหมดอายุการใช้งานขับต่อทำงานต่อใช้งานต่อไม่ได้แล้วอันนี้เราเรียกว่าตายเพราะหมดอายุไขอย่างคนไทยโดยทั่วไปก็จะเรียกคนที่แก่ตายว่าตายเพราะหมดอายุไขคือสภาพร่างกายมันทำงานต่อไม่ได้อย่างในยุค ข, ของเรานี้คนจะมีอายุไขอย่างมากก็ไม่เกินหนึ่งร้อยปีโดยประมาณ ใกล้ๆหนึ่งร้อยก็เริ่มทางานไม่ค่อยได้แล้วนะสภาพของร่างกายมันเป็นอย่างนั้นอ่าอันนี้เราเรียกว่าการละมรณะนะส่วนใหญ่คนที่บอกว่าเมื่อจะถึงเวลาตายของตัวเองที่จะต้องจากโลกนี้ไปมักจะอยากให้จากโลกนี้ไปอย่างแบบการละมรณะนะหลายๆคนจะเป็นอย่างนั้นแล้วมักจะอยากจะใช้รูปธรรมนี้ให้ได้ยาวนานที่สุดก็อยากจะตายแบบหมดอายุไขัยใช่ไม่ใช่ ประการที่ห้าเราเรียกว่าอากาละมรณะคือตายเมื่อ ย, ยังไม่ถึงเวลาคือกรรมก็ยังไม่หมดอายุขยก็ยังไม่หมดแต่มีเหตุอื่นมาตัดรอนทำให้ต้องจากชีวิตนี้หรือโลกนี้ไปภาษาธรรมะเรียกว่าอากาละมรณะพวกอากาละมรณะนี้ร่างกายยังอยู่คงสภาพยัยงทำงานได้ไดีด แต่อาจจะเนื่องเกิดจากเนื่องจากกรรมที่ตัวเองทําไม่จําเป็นต้องเป็นกรรมในอดีตชาติเสมอไปนะต้องบอกอย่างนี้นะคนไทยมักจะติดอะไรก็โทษกรรมในอดีตหมดกรรมที่ตัวเองทําในชาตินี้เนี่ยแหละมาเป็นตัวตัดรอนก็มียกตัวอย่างเช่นคนไปฆ่าคนอื่นหรือค่ายาเสพติดถูกจับได้เป็นเหตุให้ถูกประหารชีวิตนี่กรรมในชาติที่แล้วหรือเปล่า ไม่ใช่นะเพราะตนเองทําผิดกฎหมายเพราะตนเองไปฆ่าคนตายหรือเพราะตนเองไปสร้างความเดือดคับสร้างความแค้นต่อผู้อื่นในชาตินี้เขาก็เลยมาตามฆ่าหรือถูกจับแล้วก็ประหารชีวิตอันนี้ร่างกายยังทํางานได้กรรมที่จะจับรูปธรรมนี้ก็ยังไม่หมดแต่ว่ามีเหตุอย่างอื่นเข้ามาตัดรอดอันนี้เราเรียกว่า ภ า, ารมรณะบางครั้งเหตุตัดรอนอาจจะเกิดขึ้นมาเนื่องจากกรรมในอดีตก็ไดนะ้ยกตัวอย่างเช่นพระโมคคลานะเป็นต้นนั่นเกิดจากกรรมในอดีตนะบางครั้งอาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากการกระทําของตนเองที่ไปทําบุคคลอื่นทำให้บุคคลอื่นมาทําร้ายหรือเอาชีวิตหรือเกิดจากความประมาทของตัวเองเช่นพวกอุบัติเหตุทั้งหลาย ย่าโมวแต่ไปโทษกรรมในอดีตนะถ้าไม่ระมัดระวังยังขืนกินเหล้าและยังขับรถเร็วอยู่แล้วไม่ต้องไปรอกรรมในอดีตละกรรมในปัจจุบันที่เราทํานั่นแหละพวกนี้เราจะเรียกว่าอาการละมรณะหมดเลยอัตมาขอเสริมนิดหนึ่งในแง่ของการละมรณะคือตายเพราะหมดอายุไขาตายเพราะหมดอายุไขอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของพวกที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บ พวกนี้เรียกว่าตายเพราะหมดอายุขัเหมือนกันเพราะสภาพร่างกายมันทํางานต่อไม่ได้เข้าใจนะสภาพร่างกายมันทางานต่อไม่ได้หรือประเภทที่เจ็บไข้ได้ป่วยประเภทเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยไข้เจ็บโรคที่เป็นมาแต่กําเนิดหรือแม้แต่กระทั่งไปอยู่ในสภาพหรือภูมิอากาศที่ทําให้ร่างกายนั้นมันทนไม่ได้ภาวะอย่างนั้นเราจะเรียกว่าตายเพราะหมดอายุขัเช่นเดียวกัน อดข้าวอย่างเงี้ยนั่ น, นถูกขังอดข้าวอันนี้ไม่ใช่เป็นเพราะว่ากรรมอื่นมาตัดรอนนะแต่ว่าสภาพร่างกายมันไม่มีอาหารมาคำจุดอันนี้คือความตายห้าแบบด้วยกันในการละมรณะกับอากาละมรณะยมว่าอันไหนดีกว่ากันแน่ใจนะยถ้าตอบว่ากาละมรณะเนี่ยก็เรียกว่าตอบแบบเเดียวผลเดียวถ้าตอบว่าอากาละมรณะ ก็เลยกว่ามองในแง่เดียวหรือเหตุเดียวผลเดียวอีกขึ้นอยู่กับว่าโยมอยู่ในภพภูมิไหนเขาภัยถ้าเกิดว่าโยมไปเกิดเป็นสัตว์เป็นรฉานหรือไปเกิดเป็นเปรตหรือภพภูมินรกหรืออสุ ร, รกายถ้าอย่างนั้นกาลลมรณะหรืออาการละมลณะดีใช่ไหม <laughs> มีใครอยากอยู่จนกระทั่ง จนกว่าจะหมดบ้างถ้ามีกรรมเือดมาตัดรอนทำให้เราได้ไปได้พวกภูมิที่ดีได้มีโอกาสทำความดีก่อนดีกว่าดีที่สุดใช่ไหมใช่ถ้าอยู่ในพวกสุขติภูมิเช่นมนุษย์สวรรค์หรืออยู่ในพรมโลกอันนี้ทุกคนอยากจะให้เป็นกาลมรณะหมดใช่ไหมใช่อยู่ให้ได้นานที่สุดแต่นั่นก็ยังไม่ใช่เสมอไปเพราะว่าตายอย่างดีที่สุดก็คือสังสา ร, รวัฏมรณะ สังสารวัฏมรณะนันดีที่สุดไม่ว่าเราจะอยู่ภพภูมิไหนก็ตามพยายามทำให้ถึงสังสารวัฏมรณะนั่นแนะ่ะคือสิ่งที่ดีที่สุดละเข้าใจน ะ, จะเจริญพรสังสารวัฏมรณะเว้นแต่อบายภูมิไปสังอยากจะพัฒนาให้ไปนิพพานไม่ได้แต่ในการมาสุกติภูมิตั้งแต่มนุษยโลกขึ้นไปมีโอกาสได้ รูปประพรมยากที่จะไปสู่สังสารวัฏยากที่จะนิพพานเพราะแม้พระพุทธเจ้าไปยังไปสอนไม่ค่อยได้เลยนะส่วนพรหมโลกนี้มนุษยโลกโลกสวรรค์แล้วก็พรหมโลกสามภพนี้สามารถนิพพานได้เจะเป็นพรนะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นยองมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าได้โอกาสที่มีค่ามากแล้ว ใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาไปสู่สังสารวัตรมรณะให้ได้อ้าวนะนี่เรื่องของความตายห้าแบบนี่เมื่อพูดถึงความตายด้วยความที่คนยังมีกิเลสอยู่คนก็จะมีปฏิกิริยาต่อความตายของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกันเข้าไปแตกต่างกันอย่างไร คนโดยทั่วไปที่ยังมีกิเลสนั้นเมื่อพูดถึงความตายหรือเมื่อนึกถึงว่าตัวเองจะต้องตายก็จะเกิดความสะดุ้งหวาดกลัวเมื่อนึกถึงความตายของตัวเองทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะอาการที่ยังติดยึดหรือเพลิดเพลินยินดีอยู่ในร่างกายนี้อยู่กับสภาพที่ตัวเองกำลังได้รับอยู่ไม่อยากจาก ไม่อยากเปลี่ยนสภาพไม่รู้ว่าจะไปเกิดมาจะเป็ น, ย, ปนยังไงบุคคลพวกเป็นบุรุชนธรรมดาแบบนี้ที่ยังไม่ได้รับการฝึกก็จะเกิดอาการสะดุง้งหวาดกลัวโกรธเศร้าโศกเสียใจยอยางเป็นไหมของโยมนองนึกถึงว่าตัวเองจะต้องตายตอนนี้ดูสิเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้ลองทดลองดู อย่างที่สองเมื่อพูดถึงความตายของบุคคลอันเป็นที่รักคราวนี้เกิดความรู้สึกยังไงเศร้าโศกเสียใจเพราะอาการที่ไม่อยากให้เขาจากไปอยากให้เขาอยู่กับตัวเองอย่างนั้นไปตลอดไม่อยากให้เขาจากไปนี่ก็เป็นอาการของกิเลสอย่างหนึง่งใช่ไหม เป็นอาการที่เข้าไปจับยึดเข้าไปติดเพลิดเพลินยินดีในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อสิ่งนั้นต้องแปลเปลี่ยนไปเป็นยังไงเอ่ยความเศร้าโศกความเสียใจมันจะเข้ามาครอบงำเมื่อนมาถึงความตายของบุคคลที่เรารู้สึกเป็นกลางๆคือคนที่เราไม่ได้รู้จักมักคุ้นที่เรารู้สึกเฉยเฉย เรามักจะรู้สึกยังไงเอ่ยเฉยๆไม่รู้สึกไม่รู้สาอะไรทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าเราเองไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจเมื่อนึกถึงความตายของบุคคลที่เราเกลียดหรือ บ, บุคคลที่เป็นศัตรูคราวนี้รู้สึกยังไงเอ่ย ดีใจสะใจนี่ก็อาการของกิเลสเช่นเดียวกันใช่ไหมใช่อย่างตอนนี้ในประเทศไทยแบ่งเป็นสองฝกักสองฝ่ายเนี่ยแช่งของคนหน้าอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ตลอดแหละใช่ไหมใช่ถ้าตายได้เนี่ยจัดเลี้ยงฉลองอไปแล้วครึ่งประเทศนี่คือเมื่อคึกถึงความตายของคนที่เป็นศัตรูของวอากาศทั้งหมดนี่เป็นอาการของกิเลสทั้งสิ้นเลยเนยะให้รู้เอาไว้ ตนเองรักตัวเองมากไม่อยากจากนี่แหละคือความโลภอาการเพื่อเพลินยินดีติดเมื่อจําจําเป็ น, จ, ปนจะต้องจากสภาพนี้จะต้องดับเป็นยังไงเอ่ยกระทบทันทีกลายเป็นความโกรธกลกายเป็นโทสะขึ้นมากลายเป็นความสะทุกหวาดกลัวต่อบุคคลที่รับก็เหมือนกันอาการที่เราเพื่อเพลินยินดีติดยึดมีความสุขอยู่กับเขา หรือเราได้เห็นเขาแล้วเรามีความสุขนั่นแหละอาการของโลภะอย่างหนึง่งแต่ธรรมดาธรรมชาติอย่างที่บอกเอาไว้ธรรมดาธรรมชาตินั้นต้องเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาพอบุคคลนั้นจากไปความเศร้าโศกเสียใจความโกรธจึงเข้ามาเยือนคนที่เป็นกลางๆแล้วกับรู้สึกเฉยเฉยส่วนคนที่เป็นศัตรูนั้นเราผลักใช่ไหมเพราะโกรธ ถ, ถ้าจากไปได้มีความสุข นันต้องระมัดระวังให้ดีนะความโกรธความทุกข์นั้นอันตรายยังน้อยกว่าความรักและความสุขเพราะตอนที่เราโกรธหรือตอนที่เราทุกข์เรามักจะหาทางที่จะทำให้มันหายไปและจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้คนเริ่มมามองหาความจริงแต่เมื่อไรมีความสุข เมื่อไหร่เกิดความรักความผูกพันนั่นเราจะยิ่งไม่มองความจริงแล้วจะจมอยู่กับความรักกับความผูกพันรวมถึงความสุขที่ตนเองเคยได้รับเพราะนนั้สิ่งนี้น่ากลัวมากกว่าโทสะกับโลภะโลภะน่ากลัวกว่าโทสักความสุขกับความทุกข์ความสุขน่ากลัวกว่าความทุกข์เพราะโลภะและความสุขนั้น เป็นสิ่งที่ผูกเราไว้กับชีวิตกับโลกนี้ทำให้เราไม่สามารถออกจากแสงสารวัตรได้แล้วก็เป็นเหตุทำให้เราเกิดความทุกข์มากด้วยอาตมาขอยกตัวอย่างอย่างง่ายๆเช่นตอนที่ยมยังไม่มีลูกยมเห็นเด็กคนหนึ่ง ถ้าเด็ก น, นั้นจะต้องเป็นอะไรไปยมทุกข์มากไหมไม่มากยังมากก็ร้องห่มร้องไห้เสียใจยแต่ถ้าภรรยาของโยมคลอดลูกออกมาหรือยมที่เป็นผู้หญิงคลอดลูกออกมาคราวนี้ละเด็กคนนั้นนั่นแหละจะทําให้ยมทุกข์มากถ้าเขาต้องจากยมไปหรือยมต้องจากเขาไปใช่หรือไม่ เพราะอะไรยอมเข้าไปยึดทันทีแล้วยึดมากด้วยไม่ยึดมากทําให้ยอมไม่มองความจริงและไม่อยากจะยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาสุดท้ายแล้วก็ต้องจากกันไปต้องเสื่อมสลายไปทั้งสิน้นระวังความรู้สึกนี้ให้ดีนะทางโลกจะบอกว่าเป็นความรู้สึกที่ดีแต่ทางธรรมเนี่ยท่านบอกไม่ใช่เลยยิ่งรักมาก โยมกำลังเกาะกำแหแห่งความทุกข์ในจิตใจของโยมสูงมากขึ้นเท่านั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้เกลียดแต่ถ้าได้มีเมตตามีความปรารถนาดีแต่อย่าไปยึดติดและผูกพันไม่เช่นนั้นจะยิ่งบีบโยมมากแล้วจะยิ่งทําให้โยมเป็นทุกข์มากเพราะฉะนั้นความรักแบบยึดติดผูกพันนั้น ภาษาธรรมะท่านให้ชื่อว่าราคะหรือตัณหาอาการอย่างนี้โยมจะต้องตัดให้เห็นไว้กระทบเมื่อไหร่ในิยมจะรู้สึกทันทีว่าทุกข์แต่ถ้าความรับแบบเมตตาภาษาธรรมะท่านจะจัดอยู่ในฝ่ายของกุศลธรรมเรียกว่ากุศลธรรมชนทะตั้งใจปรารถนาดี ไม่ว่าเขาจะอยู่หรือเขาจะไป้าเขาให้เขามีความสุขสิ่งที่ดีงามที่เราจะทำให้เขาทําให้เขาอย่างเต็มที่แต่ใจอย่าเข้าไปติดพราว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่เช่นนั้นตัวเอโยมเองนั่นแหละที่จะเป็นทุกข์อันนี้เราจะต้องฝึกโอ้วความเคยชินตั้งเด็มของเราสิ่งใดถ้าให้เรามีความสุขเรามักจะเข้าไปยึดติดผูกพันกับสิ่งนั้นแล้วผูกตัวเองเอาไว้ทันทีนั่นแหละเป็นการก่อกําแพงแห่งความทุกข์ขึ้นในใจของเรา ถ้าเรานึกถึงความตายในลักษณะที่ถูกต้องใจเราจะได้ไม่เข้าไปยึดติดผูกพันและเข้าใจความจริงเป็นธรรมดาธรรมชาติไม่ว่าตัวเราคนที่เรารักคนที่เราไม่รู้จักหรือแม้กระทั่งศัตรูสุดท้ายเราพบกันช่วยกาวสุดท้ายต้องจากไปประโยชน์อะไรจากการที่เราพบกันละ่ะประโยชน์ที่ควรจะเกิดขึ้นก็คือสร้างสารรค์และให้เกิดความดีงามมีความปรารถนาดีซึ่งกันนะครัน เมื่อถึงเวลาจากไปเราจะต้องไม่จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจในภายหลังแต่จะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราเข้าไปยึดติดหรือเราเข้าไปผูกพันเขาจะต้องอยู่กับเราไปตลอดหรือเราต้องอยู่กับเขาไปตลอดเพราะโดยความจริงมันไม่เป็นเช่นนั้นเราจรึงต้องเข้าใจความจริงในข้อ น, นี้การฝึกมรณสติจะทําให้ยมเข้าใจความจริงในข้อ น, นี้ด้วยเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอโ อ, อกาสนิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้น หลักการในทางพ ร, ษษระพุทธศาสนาท่านถึงบอกว่ามรณสตินั้นเป็นกรรมฐานที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติเป็นประจำมันจะได้ลดลดในแง่ของความยึดติดลดในแง่ของาอาการที่เราวิ่งเข้าผูกอยู่ตลอดและเมื่อไหร่ก็ตามเจอสิ่งที่ยมชอบยมเข้าไปชอบเข้าไปติดเมื่อไหร่ขอให้ยมรู้เอาไว้นั่นคือยมกำลังเกาะกาแพงแงห่งความทุกข์ขึ้นในใจของโยม ปฏิบัติให้ถูกต้องในใจนั้นต้องไม่ยึดติดไม่เข้าไปผูกพร้อมกันนั้นใช้วันเวลาที่มีอยู่อย่างเต็มที่ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ถ้าคนยึดติดจะเลือกไปว่าปัจจุบันตัวเองควรจะต้องทําอะไรกับคนที่อยู่ใกล้ชิดเพราะมัวแต่ไปนั่งนึกว่าเขาจะต้องจากเราไปสุดท้ายวันเวลาแต่ละวันนั้นผ่านไปเปล่าเสียโอกาสเสียเวลา แต่ถ้าตใจเราเขารู้เข้าใจอย่างนี้อย่างน้อยที่สุดวันเวลาที่มีอยู่ใช้ให้เต็มที่เพื่อเมื่อถึงวันนั้นแล้วเรามานั่งนึกถึงเราได้ใช้อย่างเต็มที่แล้วเราได้ให้อย่างเต็มที่แล้วเราไม่ทุกข์อีกแล้วเพราะที่ทำอย่างเต็มที่เท่าที่เรามีโอกาสแล้วอันนี้ฝากไว้นะเพราะว่าปัจจุบันคนยังเข้าใจในเรื่องนี้ผิดกันอยู่เยอะบางจะติด ก, กับความรู้สึกกับความยึดติด แล้วก็ลืมว่าสิ่งที่ดีงามที่ควรทำนั้นคืออะไรและก็ละเลยไม่ได้ทำไปท่านนี้ในการฝึกเรื่องของมรณสติฝึกอย่างไรในสมัยก่อนท่านก็บอกว่าให้นั่งให้จิตใจสงบจากนั้นให้ระลึกเอาไว้เสมอว่าความตายนั้นจะเกิดขึ้นหรือความตายจักมีแก่เรา แล้วคอยใครครวญอยู่ตลอดเวลานะถึงทุกสิ่งทุกอย่างว่าต้องดับไปเราต้องจากทุกอย่างไปให้มันใคร่ครวรคิดพิจารณาอย่างนี้แม้กระทั่งร่างกายสุดท้ายเราก็ต้องจากกายนี้คนที่อยู่รอบข้างสุดท้ายก็ต้องจากไปคนที่เรารักสุดท้ายก็ต้องจากไปตัวเราเองสุดท้ายก็ต้องจากทุกคนไปในการใคร่ครวนอย่างนี้ในช่วงแรกมันจะเกิดความอึอดอดัดเกิดความเศร้าโศก แต่ยมต้องตัดสิ่งเหล่านั้นทิ้งซะและพยายามพิจนารณาไว้ไม่มีสิ่งใดอยู่กับเราเราเองก็ไม่สามารถอยู่กับสิ่งใดไปได้ตลอดสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องจากไปทั้งสิ้นสุดท้ายเราต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปทั้งสิ้นหากทำได้ดียมจะเริ่มปล่อยวางออกมาได้และตอนนั้นจิตยมจะโปร่งจิตยมจะสงบ แต่ช่วงแรกมันต้องสู้กับกิเลสของตัวเองสู้กับความรู้สึกความยึดติดและความผูกพันของตัวเองในสมัยโบราณท่านจึงมักให้ใช้คำบริกรรมเข้ามาช่วยกำหนดแต่จาไว้คำบริกรรมไม่ใช่ตัวอารมณ์กรรมาฐานนะอารมณ์กรรมาฐานคืออาการใคร่ครวญอยู่เสมอว่าสิ่งต่างๆย่อมต้องดับไปเราเองจะต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไป การไข้ควรพิจารณาอย่างนี้คืออารมณ์กรรมฐานมันไม่ว่าใครก็ตามมีสิ่งใดเกิดขึ้นในใจก็ตามสิ่งนั้นยึดล้นต้องดับไปความคิดถึงใครเกิดขึ้นคนนั้นเองก็ต้องจากเราไปเราเองต้องจากคนนั้นไปสิ่งต่างๆล้นแต่แล้วแต่มีความดับไปสมัยก่อนท่านก็จะใช้คาบริกรรมที่เป็นคาภาษาบาลีคาที่ใช้ใช้ที่ท่านใช้นั้นท่านจะใช้คาว่า มรณะมรณงแปลว่าความตายภาวิสติความตายจะเกิดขึ้นหรือความตายจกมีให้มันพิจารณาไว้ถึงทุกสิ่งทุกอย่างว่าจะต้องเสื่อมสลายไปทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างสรรพสิ่งนั้นต้องดับไปทั้งสิ้นมรณะภวิสติมรณะภวิสติ แต่ไม่ใช่อยู่กับคำพูดและสงบกับคำพูดแต่อยู่กับการพิจารณาถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังปรากฏหนขณะนั้นว่าต้องดับไปต้องเสื่อมสลายไปบุคคลผู้พิจารณาอย่างนี้บ่อยๆมากๆสุดท้ายใจเราที่มันเคยผูกใจเราที่มันเคยยึดติดอยู่กับภาวะและสิ่งต่างๆมันจะก็ค่อยคลายตัวออกไปคราวนี้ใจมันกับโปรง่งกับโล่งกับสงบ มรณสตินั้นเป็นเบื้องต้นเลยของการฝึกวิปัสสนาที่เรียกว่าอะนิจจะอะนิจจตาหรืออะนิจจานุปัสสนาใครทำได้ดีครับทำได้บ่อยจะเห็นถึงสภาพที่สิ่งต่า ง, างๆลุนแล้วต้องดับไปนี้ได้ชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งสามารถละกิเลสได้เช่นเดียวกันถ้ายกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาต่อจากมรณสตินี้เป็นเบื้องต้นเลย ท่ามรณาสตินี้ท่านบอกว่าเหมาะกับพวกผู้ที่จริตพวกที่ชอบใคร่ครวญพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วมันจะเห็นโยมลองนั่งนึกเนี่ยอ้าวพ่อแม่หรือสามีภรรยาหรือลูกของเราจะต้องตายลองนั่งนึกตอนนี้นะมันบีบขึ้นมา ท, าทันทีนั่นแหละอาการของกิเลสแต่ถ้าเราทำ บ, บ่อยๆเราจะเห็นโอ้มันเป็นธรรมดาธรรมชาติไออาการที่วิ่งเข้าจับเนี่ยมันจะก็ให้ลดลงลดลงลดลงลดลง ใจมันก็จะโปร่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นประโยชน์ต่อตั ว, ตวของโยมเองเป็นประโยชน์ต่อจิตใจแล้วก็ต่อปัญญาของโยมเองเข้าใจนะมันท่านก็จะให้นั่งให้สงบจากนั้นให้พิจารณาว่าตนเองจะต้องจากทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องเสื่อมสลายไปทั้งสิ้นมรณะภวิสติมรณงทวิสติแต่ถ้าใครพิจารณาได้ดีคาพูดนี้อานไม่จาเป็นต้องใช้เลยทีซ้ 3. ไม่ว่ารับรู้สิ่งใดไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นในใจสิ่งนั้นต้องดับไปหมดไม่ว่าเป็นบุคคลใดบุคคลนั้นต้องเสื่อมสลายต้องดับไปทั้งสิ้นในการพิจารณานั้นท่านก็มีวิธีให้พิจารณาท่านบอกว่าถ้าปฏิบัติได้ถูกต้องในการพิจารณานั้นจะต้องพิจารณาให้เกิดสติเกิดความสังเวช และได้ปัญญาคนทั่วไปมานึกถึงความตายไม่เกิดสติไม่เกิดความสังเวชแล้วก็ไม่ได้ปัญญาที่บอกว่าไม่เกิดสติเพราะว่าอะไรไม่ได้ระลึกถึงถึงคุณค่าและสิ่งที่ตนเองควรจะต้องทำในตอนนั้นและอะไรคือกิจที่ตนเองควรจะต้องทาเมื่อความตายมาเยือนเราหรือความตายมาเยือนบุคคลที่เรารักเหมือนกับที่อาตมา เล่าให้ฟังในสีกรณีแรกเมื่อนึกถึงความตายของตนเองสะดุ้งหวาดกลัวนี่คืออาการขาดสติลืมไปว่าแท้จริงแล้วเราควรปฏิบัติอย่างไรแม้กระทั่งต่อร่างกายต่อชีวิตนี้จึงจะเกิดประโยชน์แทนที่จะเอามาพิจารณาว่านี่เป็นธรรมดาธรรมชาติใจเราที่ผูกที่เรายึดที่เราติดนี่แหละที่ทาให้เราทุกข์กลับไม่ได้บองตรงนี้เลยเอาแต่นั่งเศร้าโศกเสียใจนั่นแหละอาการขาดสติ ความตาของคนที่รักก็มัวแต่เอานั่งแต่เศร้าโศกเสียใจว่าเราจะต้องจากเขาแต่ไม่เคยมานั่งไม่เคยได้ความสลดหรือไม่เคยมาพิจารณาว่าสุดท้ายตัวเราเองก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่แหละขาสติคนที่เป็นกลางกลางก็เหมือนกันมองเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วก็ลืมนึกว่าตนเองเองจะต้องเจ็บสภาพแบบนั้นเช่นเดียวกันอะไรคือกิจอะไรคือเหตุที่ควรทําขนาดนี้ตนเองได้ทำเรายอย่างนี่แหละอาการขาดสติ แม้กระทั่งต่อศัตรูหรือคนที่เราเกลียดเมื่อเขาจับไปกลับดีใจนั่นแหละอาการขาดสติไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปอย่างนั้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาว่าสิ่งต่างๆจะต้องดับไปโยมจะต้องพึงมีสติรู้ไว้อ้าวนี่เป็นธรรมดาธรรมชาติเป็นธรรมดาธรรมชาติที่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วต้องเสื่อมสลายเพราะฉะนั้น ตรหนักจะได้ตรหนักถึงหน้าที่ว่าเราควรเร่งอย่างน้อยที่สุดทำจิตใจให้ป่องใยดีขึ้นไปกว่านั้นใช้ปัญญาพิจารณาเอาไว้สิ่งต่างๆย่อมต้องเสื่อมสลายไปสิ่งต่างๆล้วนต้องดับไปประโยชน์อะไรจากการที่เรามาติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้เล่าประโยชน์ที่แท้จริงคือเราใช้สิ่งเหล่านี้มาในการฝึกในการพัฒนาทาให้เราละล ะ, ละวางจากสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ใช่หรือนี่ต้องให้เกิดสติแห่งนี้ อย่างที่สองเกิดความสังเวชสังเวชในที่นี้ไม่ใช่คําในภาษาไทยแต่เป็นคําในภาษาธรรมโยมเคยได้ยินคําว่าสังเวชนิยสถานนะไม่ใช่สถานที่ไปแล้วมานั่งสลดหดหู่เศร้าโศกเสียใจไม่ใช่นะสังเวชในที่นี้คือตระหนักรู้กระตุ้นเตือนให้ไม่ประมาททาให้เราเร่งลมมือทํากิจทําหน้าที่ที่ควรทําอย่างเต็มที่ เหมือเราไปสังเวยชนีสถานอ๋อมีบุคคลผู้ประเสริฐผู้เป็นอัจฉริยะผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้มีอยู่นะคําสอนของท่านยังคงอยู่นะไม่ได้ล้ถ้าจากโลกนี้ไปเราไม่แน่ใจว่าชาติหน้าจะได้เจออีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องเร่งศึกษาให้เต็มที่เนี่ยเวลาไปสังเวชนีสถานต้องเกิดความรู้สึกอย่างนี้เร่งรีบขนขวายศึกษาปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างเต็มที่นี่เรียกว่าเกิดความสังเวช เมื่อนึกถึงความตายก็เช่นเดียวกันให้เกิดความสังเวชอย่างนี้โอ้เห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างต้องเสื่อมไปต้องสลายไปต้องตายทั้งสิ้นเราเองก็เหมือนกันไม่ได้แล้วตอนนี้ยังมีโอกาสยังมีเวลาต้องเร่งรีบฝึกฝนพัฒนาจิตใจปัญญาและพฤติกรรมของเราอย่างเต็มที่ในทุกขณะเลยอย่าปล่อยให้ผ่านไปแม้แต่นิดเดียวสิ่งภายนอกเป็นประโยชน์อะไรช่วยอะไรเราได้แล้ว มีเงินมากแค่ไหนก็ช่วยเราให้พ้นจากความตายไม่ได้มีคนรักมากแค่ไหนก็ช่วยเราให้พ้นจากความตายไม่ได้ ใ, ให้เกิดความสังเวชอย่างนี้จะได้เร่งรีบพ้นขวายทำกิจหน้าที่ไม่ตกอยู่ในความประมาทไม่ผัดวันประกันพรุ่งประการที่สามให้ได้ปัญญาหรือให้เกิดปัญญาเกิดปัญญาในที่นี้คือเกิดปัญญามองเห็นความจริง มองเห็นความจริงว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเมื่อมองเห็นความจริงว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาไม่เที่ยงถ้าใจเราเข้าไปจับเข้าไปยึดว่ามันจะจ้องอยู่กับเราจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อมันเสื่อมสลายไปคราวนี้ใครทุกข์ตัวเราเองนะ่ะที่จะทุกข์มันสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง เพราะสิ่งต่งางๆไม่เที่ยงนั่นแหละจึงเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์และถ้าเราเข้าไปจับยึดเมื่อไหร่ตัวเราเนี่ยแหละจะทุกข์ทันทีเลยสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์ควรไม่ที่โยมจะไปจับไปยึดว่าเป็นของของฉันเป็นตัวของฉันโยมมาควนไหมละ่ะไม่ควรอย่าเข้าไปจับอย่างนั้นนะมันไม่ใช่ของของโยมสักอย่างแม้กระทั่งร่างกายของโยม หลายหลายท่านคิดว่าร่างกายนี้เป็นของโยมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ถ้ายมไม่ทําเหตุปัจจัยของธรรมชาติให้ถูกต้องแม้กระทั่งร่างกายนี้โยมก็บังคับมันไม่ได้ใช่หรือไม่ลองทดลองไหมลองทดลองดูนะเพราะอธิบายเฉยๆมันไม่เห็นภาพเอายมนั่งตัวตรงเอามือทั้งสองวางไว้ที่หน้าตักแบบนี้ จะลองดูซิว่าร่างกายนี้เป็นของโยมจริงหรือเปล่าถ้าร่างกายเป็นของโยมโยมต้องบังคับร่างกายนี้ได้อย่างที่โยมปรารถนาโยมหลายท่านก็บอกว่าทำไมจะไม่ได้เดี๋ยวยกมือยกไม้ให้ดูก็ยังได้ใช่ไม่ใช่ใชอา้าวลองดูเอายกมือขวาขึ้นยกได้ไหมได้ของโยมหรือเปลอร่างกายนี้ มันเหมือนกับของเราเนะเาะอ้าวคราวนี้เอามือวางลงถ้าเป็นของโยมมันต้องเป็นไปอย่างที่โยมต้องการได้ใช่ไหมใช่คราวนี้ห้ามโยมเกรงกล้ามเนื้อห้ามโยมออกแรงใดๆทั้งสิ้นอย่าไปทําเหตุปัจจัยของธรรมชาติถ้ามันเป็นของโยมจริงมันต้องทําอย่างที่โยมต้องการได้คราวนี้ลองยกมือขวาสิอย่ากเกรงอย่าให้เกิดอาการเกรงใดใดเลยที่แขนขวาแล้วก็ที่หัวไหล่ ถ้าเกิดจาการเกรงแสดงว่าไม่ใช่แล้อย่าให้เกิดจาการเกรงอา้าวไหนให้มันยกซิยกได้ไหมได้หรือเปล่าเป็นของโยมไหมละ่ะไม่ใช่โยมต้องทําเหตุปัจจัยนะ้มันถึงจะทำงานให้กับโยมถ้าโยมไม่ทําเหตุปจัจจัยมันไม่ทํางานแต่พอดีว่าเราเคยทําอย่างเนี้มาจนกระทั่งเคยชินเหมือนเราขับรถเนะี่ะ ขับรถเร็วจนกระทั่งเรารู้สึกว่าฉันไปไหนเร็วได้แต่จริงๆไม่ใช่โยมต้องทําเหตุปัจจัยธรรมชาติกายนี้ก็ไม่ใช่ของโยมใช่เสียที่ไหนให้เกิดปัญญาอย่างนี้เัราอย่าเข้าไปติดเข้าไปยึดอยา่าไปเข้าใจผิดอย่างนั้นนะเพราะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกข์ควรแล้วหรือที่จะมายึดถือเอาว่าเป็นตัวตนของเราหรือเป็นของของเราหากพิจารณาได้อย่างนี้ โยมจะเห็นว่าอาการที่เราวิ่งเข้าไปจับเข้าไปยึดเข้าไปชอบนั่นแหละเป็นอาการที่น่ารังเกียจนั่นแหละเป็นอาการที่ทําให้โยมเกิดความทุกข์โยมย่อมเกิดความเบื่อหน่ายในการที่จะเขายิงเข้าจับเข้ายึดสิ่งต่างๆเหล่านี้และเห็นถึงอาการที่ใจโ ย, ยวมวิ่งเข้าจับและยึดสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าเป็นสภาพที่ไม่น่ายินดีเลยเป็นสภาพที่เหมือนโซ่ตรวนที่ผูกโยมไว้ กับโลกนี้กับสิ่งต่างๆทําให้เราถูกกระทบตลอดเมื่อสิ่งต่างๆแปรเปลี่ยนไปภาษาธรรมะเรียกว่าเกิดความเบือเบ่อหน่ายเบื่อหน่ายในที่นี้โดยเปรียบเทียบก็เปรียบเหมือนกับโยมเอาเบ็ดมาเกี่ยวหนังของตัวเองแล้วไปผูกเข้ากับวัตถุผูกเข้ากับบุบคคลต่างๆ วัตถุหรือบุคคลต่างๆนั้นเคลื่อนไหวทีหนึ่งออกห่างจากตัวโยมทีหนึ่งโยมเป็นยังไงเจ็บปวดแต่โยมก็พยายามที่จะไปให้ไอ้คนนี้มันต้องอยู่ใกล้เราไอ้วัตถุนี้จะต้องอยู่ใกล้เราเราจะได้ไม่เจ็บมากเพราะอยากให้มันอยู่ใกล้มากโยมก็เอาเบ็กอีกอันหนึ่งมาเกี่ยวหนังของตัวเองแล้วไปผูกเอาไว้ให้แน่นๆแล้วก็เกี่ยวอีกแล้วก็ผูกไว้ให้แน่นยังเคลื่อนที่อีกเกี่ยวอีกแล้วก็ผูกไว้ให้แน่นๆเพราะฉันชอบมากสุดท้ายไข่ทุกข ฉันใดก็ฉันนั้นถ้าโยมเห็นความจริงในข้อนี้แล้วโยมอยากจะเอาเบ็ดนี้มาเกี่ยวตัวเองอีกไหมยโยมจะยังยินดีในเบ็ดที่เกี่ยวเอาเนื้อเอาหนังของเราแล้วดึงเราให้เป็นทุกข์อยู่อีกไหมไม่มีแต่อยากจะปลดเบ็ดนี้ออกไปนี่แหละคืออาการที่เราเรียกว่าเบือนายที่บอกไม่ใช่เบือนายแบบผลักแบบหองเหี่ยงหดหูแต่เพราะเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ทาให้เราเกิดความทุกข์ เป็นสิ่งที่ไม่ได้มีคุณค่าอย่ า, างแท้จริงกับตัวเราเลยเราจึงไม่อยากที่จะเข้าไปจับไปยึดในสิ่งเหล่านี้อีกมีแต่อยากจะปล่อยวางมันออกไปเห็นถึงอาการจับยึดนั้นเป็นสภาพที่ไม่น่าปรารถนาและไม่น่ายินดีทั้งสิน้นนี่คือความหมายของคำว่าเบื่อหน่ายอย่างนี้เบื่อหน่ายในที่นี้ท่านได้บอกเปรียบเหมือนราชสีห์ที่ถูกขังอยู่ในกรงเห็นสัตว์ถืนวิ่งเล่นได้อยู่ในป่าราชสีห์จะยังยินดีอยู่ในกรงนั้นอีกไหม ย่อมเบื่อหน่ายในกรงนั้นพยายามหาทางหลุดออกไปจากกรงให้ได้ชั้นใดก็ฉันนั้นถ้าเราเห็นความจริงถึงสภาพทั้งหลายย่อมเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาอาการติดยึดเหล่านี้เราย่อมเบื่อหน่ายใ น, ในอาการที่เราไปจับแล้วไปยึดกับมันทําอย่างไรจะปล่อยมันออกไปได้ทําอย่างไรจะวางจากสิ่งเหล่านี้ออกไปได้นี่คืออาการเบื่อหน่ายในที่นี้เบื่อหน่ายอย่างนี้กลับมีกําลังใช่ไหมกลับยิ่งเร่งเพ่งเพียรพยายามฝึกในการที่จะละและวาง ทำให้ใจเราวางจากสิ่งต่างๆให้ได้เมื่อเบื้อนายย่อมคลายกำหนัดคือคลายจากความยินดีเมื่อคลายกำหนัดย่อมดับได้ซึ่งความยินดีในสิ่งต่างๆไม่เห็นถึงคุณค่าและแก่นสารของสิ่งต่างๆในแง่ที่เราจะต้องเข้าไปผูกกับมันเมื่อคลายจากเมื่อดับความยินดีได้ย่อมสลัดคืนอย่างที่อาจารย์สมัยก่อนนันก็บอกว่า กูไม่เอากับมึงลโะโวยเคยได้ยินใช่ไหมอาจารย์พธาธาุทธทาสมันไม่น่ายินดีแล้วสิ่งพวกนี้ใจเข้าไปผูกทำไมทิ้งสักวางคริ้นี้ใจจะโปรเมื่อสลัดคืนย่อมหลุดพ้นเหมือนเราเอาเบ็ดเกี่ยวออกหมดย่อมหลุดพ้นจากการถูกดึงย่อมหลุดพ้นจากความเจ็บปวดต่างๆอะนั้นได้แล้วเมื่อหลุดพ้นย่อมรู้ว่าหลุดพ้น กิตที่จะต้องทำเพื่อตอนเองก็หมดแล้วถ้าทำได้อย่างนี้เป็นชีวิตเป็นจิตภาพจิตที่เป็นอิสระและปลอดโปร่งอยู่เสมอต้องให้เกิดปัญญาอย่างนี้นี่เริ่มต้นจากมรณะใช่ไหมความที่สิ่งต่างๆเสื่อมสลายไปนี่เริ่มต้นจากมรณะต้องให้เกิดปัญญาอย่างนี้พิจารณาให้เกิดปัญญาแบบนี้ให้ได้นี่เป็นหลักในการทำพิปัญสนะเลยเข้าใจนะเพราะฉะนั้นมรณะเนะ่ะ ดีกว่าการเกิดนะก็แปลกอะ่ะคนเกิดมาแม้ฉลองเสียยกใหญ่พอคนตายกลับร้องห่มร้องไห้เสียใจทั้งทั้งที่ถ้าปฏิบัติวางท่าทีได้ถูกมรณะนั้นกลับเป็นประโยชน์มากกว่าการเกิดเสียด้วยซ้ำการที่เราเห็นบุคคลคนอื่นเกิดกับบุคคลผู้อื่นหรือคนสิ่งภายนอกเสื่อมสลายหรือตาย การเกิดเนี่ยเราบ้าจะทำให้เราลุ่มหลงเอาแต่ฉลองเอาแต่ยินดีมีความสุขแล้วก็ติดแต่การจากไปหรือการตายนั้นช่วยเตือนสติของเราวางท่าทีได้ถูกช่วยทำให้เราเห็นความจริงโยมว่าอันไหนมีประโยชน์มากกว่ากันล่ะแล้โยมยังจะกลัวความตายอีกหรือวางท่าทีให้ถูกแล้วโยมจะไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวกับสิ่งเหล่านี้ในการพิจารณานั้น ท่านบอกว่าให้เกิดสติเกิดความสังเวชและให้เกิดปัญญาอย่างที่อาตมาได้เล่าให้ฟังนอกจากนั้นท่านมีวิธีการพิจารณาอีกท่านเรียกว่าพิจารณาโดยอาการแปดอย่างพิจารณาอย่า ง, างไรโดยอาการแปดอย่างเมื่อนึกถึงความตายในขณะที่เรานั่งเจริญมรณะสติประการแรกเลยท่านบอกว่าให้พิจารณาความตายเหมือนเพชฌฆาตขณะยมนั่งอยู่อย่างนี้ ให้เหมือนกับความตายนั้นเหมือนเพชฌฆาตที่จะมาตัดรอนชีวิตของเราทําให้เราต้องขาดต้องจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปซึ่งเพชฌฆาตเหล่านี้เป็นยังไงมาเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบท่านเพิงบอกว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นเหมือนอยู่บนซอกเขาและมีหินก้อนใหญ่กลิ้งลงมาทั้งสีด้านบททับเราแน่ความตายมีต่อเราแน่จะต้องมีต่อเราแน่ เหมือนมีเพชฌฆาตที่กำลังเงื้อง่าดา่าพร้อมที่จะฟันลงมาที่คอของโยมทุกเมื่อขณะพิจารณาอย่างนี้ว่าเพชฌฆาตพร้อมที่จะฟันด่ากําลังฟันด่ามาที่คอของเราตอนนั้นจิตใจโ ย, ยมควรให้เป็นอย่างไรโยมยังควรหรือไม่ที่จะยังนึกถึงคนนั้นนึกถึงคนนี้ติดยึด ก, กับคนนั้นคนนี้อยู่เนี่ยแหละพิจารณาให้ความตายเหมือนเพชฌฆาต เหมือนเป็นจะคาด ก, กำลังจะฟันลงมาที่คอของเราอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องตายแน่แน่อย่างที่หนึ่งประการที่สองพิจารณาความตายโดยสภาพที่วิบัติจากสมบัติทั้งหลายเมื่อความตายมาเยือนทรัพย์สมบัติมีมากแค่ไหนเราก็ไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นเราพึงทําอย่างไรกับทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เก็บ ผูกเอาไว้อย่างนั้นหรือควรจะใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาในการสร้างสารรค์และเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นฉันในก็ฉันนั้นกับการใช้ชีวิตของโยม น, นะมีมากแค่ไหนสุดท้ายเอาอะไรไปไม่ได้แม้กระทั่งตัวเองยังรักษาไว้ไม่ได้เลยถ้าเก็บมันไว้ทําไมไว้เท่าที่จําเป็นที่เหลือควรจะเอามาใช้สร้างสารรค์ทําให้เกิดประโยชน์เอามาใช้สร้างสารรค์ทําให้เราลักจากความยึดติดถึงมันได้ หรือทำให้จิตใจเกิดความดีงามไม่ดีกว่าหรือเพราะฉะนั้นอาจารย์ในสมัยก่อนท่านจึงกล่าวไว้ว่าพึงเอาประโยชน์จากทรัพสมบัตินี้ให้ได้ด้วยการให้ด้วยการบริจาคและด้วยการนำไปสร้างสรรทำให้เกิดคุณงามความดีนี่ตั้งหากคือประโยชน์ที่แท้จริงของทรัพสมบัติเพราะสิ่งเหล่านี้จะติดตัวเราไปตลอดประทับอยู่ในจิตของเราตลอด แต่ถ้าเอาแต่สะสมทรัพย์สมบัติเมื่อถึงเวลาตายฉันยังไม่ได้ใช้เลยเก็บมาตั้งนานเป็นยังไงสุขหรือทุกข์ควนี้แต่ถ้าคนใช้อย่างคุ้มค่าล่ะโอ้ทรัพย์สมบัติที่หาม่ได้ใช้อย่างเต็มที่และนั่นก็ทําอันนี้ก็ทําประโยชน์ตรงนั้นตรงนี้ก็เกิดขึ้นแล้วมีความภาคภูมิใจทรัพย์สมบัติที่เหลือก็จัดสรรแบ่งให้ผู้อื่นเรียบร้อยแล้วถึงตอนนั้นตายไปโยมจะไม่ เกิดความกังวลเลยพิจารณาอย่างนี้พิจารณาความตายโดยสภาพที่เราวิปลาจากทรัพย์สมบัติใจที่จะไปผูกยึดจริงไม่มีแต่กลับใช้มันจัดสรรมันให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่อยู่ทุกขณะประการที่สามพิจารณาโดยเปรียบเทียบเปรียบเทียบอย่างไรประการแรกเปรียบเทียบโดยผู้มียศมาก ผู <departed? |mt|>. ้มียศมากได้แก่ใครก็ได้แก่พระมหากษัตริย์มีคนเขารบยุกย่องมียศมากใช่ไหมใช่พระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในอดีตเท่าที่โยมเคยนึกออกคือใครสมเด็จพระนเรศวรท่านพ้นจากความตายได้ไหมไม่ได้แล้วเราล่ะมีหรือจะพ้นจากความตายของตะวันตกคืออเล็กซานเดอร์มหาราช ตีได้อนาเขตกว้างใหญ่ไพศาลพ้นจากความตายได้ไหมแล้วตัวเราหรือจะพ้นจากความตายไม่มีทางพ้นจากความตายยศยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ช่วยโยมไม่ได้แล้วยมหายศไปเพื่ออะไรติดกับยศนันเพื่ออะไรถ้ายศศักนั้นไม่ได้เอาม า, าเพื่อสร้างสารรค์คุณงามความดีทําให้เรารู้สึกภูมิใจว่าใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าแล้วแล้วก็ยศนั้นจะไม่มีประโยชน์เลยเหมือนสมบัติอย่างที่สอง พิจารณาโดยเปรียบเทียบกับผู้มีบุญมากใครที่มีบุญมากที่สุดเอาไปในฝ่ายของคราหัสกันแล้วกันสมัยก่อนก็อนาถบินเิกาเศรษฐีนางวิสาขาทำบุญมากทำบุญเยอะมากเลยสองคนนั้นสองท่านนั้นสุดท้ายก็ต้องตาย แล้วยมมีบุญมากอย่างเขาไหมได้ทําบุญมากอย่างเขาหรือเปล่าโยมเองก็ไม่พ้นจากความตายพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับผู้มีกําลังมากนะสมัยก่อนถ้าจะเปรียบเทียบกับพีสมะท์ในในนิยายของอินเดียในประวัติของอินเดียพีสมัทคือผู้มีกําลังมากสุดท้ายก็ต้องตายเราเองก็เช่นเดียวกันพิจารณาอย่างนี้ พิจารณาโดยเปรียบเทียบกับผู้มีฤทธิ์มากผู้มีฤทธิ์มากคือใครลองจากพระสมณะสัมพุทธเจ้าผู้ที่เป็นเลิศทางมีฤทธิ์ก็คือพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะสุดท้ายก็ต้องตายฤทธิ์มากแค่ไหนก็ช่วยโยมไม่ได้จะไปปรารถนาอะไรกับฤทธิ์ที่มากเหล่านั้นเล่าแม้ผู้มีฤทธิ์มากมากที่สุดในโลกสุดท้ายก็ยังต้องเดินทางไปสู่ความตายพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับผู้มีปัญญามาก ผู้มีปัญญามากรองจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระสารีบุตรในสมัยพุทธกาลสุดท้ายพระสารีบุตรเองก็ต้องตายเหมือนกันตายก่อนพระพุทธเจ้าด้วยนะพระสารีบุตรตายก่อนพระพุทธเจ้าอีกพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ประเสริฐท่านมีปัญญาเป็นรองก็เพียงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น สามารถที่จะตัดสรุด้วยได้ที่ตัวของท่านเองสุดท้ายพระประเจพูทธเจ้าทุกพระองค์ก็ต้องตายเช่นเดียวกันพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับพระสมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นอจิยะของโลกผู้ประเสริฐสุดผู้มีบารมีมากแม้พระสมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ต้องตายแล้วตัวเรามีหรือจะรอดพ้นจากความตายพิจารณาโดยเปรียบเทียบอย่างนี้ โยมจะได้เห็นว่าความตายนั้นจะต้องมีแก่เราเราเองจะต้องตายเราเองสุดท้ายต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างจะได้ฝึกในการวางจิตวางใจมีสติเกิดความสังเวชแล้วก็เกิดปัญญาอันนี้อย่างที่สามนะพิจารณาโดยเปรียบเทียบประการที่สี่พิจารณาโดยความเห็นที่กายนี้เป็นของสาธารณะแก่หมู่นน์ เป็นอย่างไรกายนี้เป็นสาธาระแก่หมูนอนในร่างกายของเรานี้มีนอนอาศาัยอยู่เยอะเลยได้แก่พวกพยาธ ต, ต่างๆและเปราะบางมากถ้ามันเจาะไปที่เส้นเลือดในสมองสเส้นหนึ่งต้มตายทันทีและสุดท้ายร่างกายที่เราแหมอุตสายปะทินผิวอุตสา์บำรุงดูแลรักษาเมื่อเราทิ้งกายนี้ไปแล้ว กายนี้ก็ย่อมตกเป็นอาหารของหมูนอนเหล่านั้นเว้นไว้ว่าเราเอาไปเผานะก็กลายเป็นขี้เถ้าเท่านั้นเองย่อมมายิงดีอะไรกับกายนี้เล่ากายนี้ไม่แน่นอนกายนี้ดับไปได้ทุกเมื่อเปราะบางมากย่อมนั่งอยู่นี่เชื่อไหมว่าการทำงานของร่างกายซับซ้อนมากเส้นเลือดแตกเส้นเดียวระบบประสาททำงานผิดพลาดไปเพียงแค่ระบบเดียวยมตายทันทีเลย ให้พิจารณาไว้ชีวิตเปล่าเปลมากสุดท้ายเราต้องเตรียมตัวที่จะต้องทิ้งทุกขณะเพราะสุดท้ายเราต้องทิ้งมันไปทุกขณะเช่นเดียวกันพิจารณาอีกอย่างหนึ่งพิจารณานี้กายนี้โดยทุกพลภาพทุกพลภาพคือเป็นของเปราะบางเป็นของอ่อนแออย่างที่อาตมาได้อธิบายไปเมื่อกี้เราเรียกว่าพิจารณากายโดยทุกพลภาพเปราะบาง โยมว่าเปล่าบางไม่เล่าเดินไปลองอะไรตกใส่หัวจากที่สูงสูงต้มตายเลยใช่ไหมใช่นะหรือแม้แต่กระทั่งเส้นเลือดที่ไปรอเลี้ยงหัวใจสักเส้นหนึ่งมันขาดมันไม่ทำงานหรือมีอะไรไปอุดตันตายไหมตายชีวิตโยมเนี่ยยิ่งกว่าเส้นยาแดงผ่าแปดติดนะ เราะบางมากอีกประการหนึ่งพิจารณาโดยความไม่มีเครื่องหมายไม่มีเครื่องหมายอย่างไรความไม่มีเครื่องหมายอย่างแรกก็คือชีวิตนี้จะต้องตายเมื่อไหรเราไม่ทราบแต่สุดท้ายจะต้องตายแ น, น่ๆเปราะบางอย่างที่สองไม่มีเครื่องหมายว่าเราจะป่วยเป็นโรคอะไร มีใครทราบบ้างไหมมีใครทราบล่วงหน้าไหมถ้าไม่มีนะเราจะป่วยไปโรคอะไรเราจะตายด้วยโรคอะไรเราไม่ทราบอาจจะมีโรคประจันปัจจุบันทันด่วนกําเริบขึ้นมาแล้วเราไม่รู้ตัวล่วงหน้าตายไปเสียตอนนี้ก็ได้อย่างที่สามไม่มีเครื่องหมายบอกว่าเราจะตายเวลาไหนอันนี้คือโดยการเวลามีใครรู้บ้าง ใครรู้ว่าตัวเองจะต้องตายตอนเช้าใครรู้บ้างจะตายตอนบ่ายตอนเย็นตอนกลางคืนไม่มีใครรู้ทุกขณะเนี่ยโยมตายได้ทุกขณะเยอไม่รู้หรอกว่ามีเวลาเหลืออยู่อีกเท่าไหร่ประการถัดมาพิจารณาโดยที่ไม่จำกัดสถานที่ความตายไม่บอกสถานที่ ไม่ใช่ว่าเราต้องตายในบ้านหรือตายนอกบ้านอยู่ที่ไหนโยมตายได้ทั้งนั้นทุกที่โยมตายได้ทั้งนั้นทุกที่ไม่ปลอดภัยทั้งสิ้นความตายมาเยือนได้ทั้งทั้งสิ้นและพิจารณาโดยคติโดยคติคืออะไรเราจะไปเกิดเป็นอะไรต่อไปข้างหน้าเราก็ไม่ทราบที่ที่เราจะไปต่อไปข้างหน้าก็ไม่มีใครทราบอย่าคิดว่าทาบุญมากแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์เสมอนะ ขึ้นอยู่กับสภาพจิตของโยมตอนกําลังจะตายภาวะจิตขณะนั้นเป็นอย่างไรตอนนั้นกรรมอะไรกําลังส่งผลไม่มีใครทราบพอตายแล้วจะไปอยู่ที่คติไหนหรือพวกภูมิไหนอันนี้เรเรียกว่าพิจารณาโดยไม่มีเครื่องหมายไม่มีใครทราบเพราะฉะนั้นอย่าประมาทเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสพิจารณาให้เต็มที่ละกิเลสให้มากที่สุด โอกาสครั้งหน้าเราอาจจะไม่ได้เจอคําสอนของผู้พุทธเจ้าแบบนี้ก็ได้ถ้าไม่รีบผลควายทําเสียตั้งแต่ตอนนี้ประการถัดมาพิจารณาโดยมีกําหนดระยะการมีกําหนดระยะการคืออะไรคือโดยอายุข ข, ของเรามันมีกําหนดไม่ใช่อยู่ไปได้ตลอดแต่ว่ากําหนดที่ว่านี้ไม่มีใครรู้ว่าเท่าไหร่ ใครจะไปรู้แล้วว่าเราจะมีชีวิตเหลืออยู่อีกเพียงแค่สี่วันหรือเจ็ดวันก็ได้ถ้าอีกสี่วันหรือเจ็ดวันยมจะตายยมจะทําอะไรตอนนี้เล่าหรืออีกวินาทีข้างหน้าก็ได้ให้พิจารณาไว้สภาพจิตควรตั้งไว้อย่างไรพฤติกรรมที่เราควรทําควรจะเป็นอย่างไรเจตนาที่เราควรจะมีต่อสิ่งต่างๆควรจะเป็นอย่างไร และประการสุดท้ายประการที่แปดพิจารณาโดยมีขณะเล็กน้อยมีขณะเล็กน้อยอย่างไรท่านบอกว่าชีวิตของคนเรานั้นเปรียบเหมือนหยาดน้ําค้างบนยอดหญ้าในยามเช้าเมื่อแดดส่องลงมาน้ําค้างนั้นย่อมเหือดแห้งไปฉันใดก็ฉันนั้นชีวิตของคนเราสั้นนักอย่าคิดว่ายาว อีกอย่างหนึง่งชีวิตของเราเกิดดับตลอดในแง่ของตามสภาพจิตที่เกิดดับเพราะฉะนั้นในขณะทุกครั้งที่ดับนั้นเราดับด้วยสภาพจิตที่ดีหรือไม่ขณะที่เกิดเกิดด้วยสภาพจิตที่ดีหรือไม่ให้มันพิจารณาไว้อย่างนี้ในทุกขณะถ้าความตายมาเยือนในขณะที่สภาพจิตไม่ดีคติของโยมก็จะไม่ดีด้วยแต่ก็อย่าลืมว่าเราไม่รู้ตัวว่าจะตายเมื่อไหร่เพราะฉะนั้น ควรแล้วหรือจะปล่อยให้สภาพจิตของเราตกอยู่ในฝ่ายที่ไม่ดีนี่คืออาการพิจารณาแปดอย่างให้ยอมใค่ควรพิจารณาในขณะที่ยมนั่งเจริญมรณสติความตายจากมีเราพ้นความตายไปไม่ได้สภาพจิตในในทุกๆขณะเราควรตั้งว่าอย่างไรเจตนาที่มีต่อสรรพสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกําลังเปลี่ยนสภาพและกําลังดับไปในขณะปัจจุบันนั้นควรเป็นอย่างไรก็ควรที่จะต้องปล่อยวางมันออกไป เกิดก็เกิดมาก็มามารับรู้ยังอยู่ก็อยู่ไปดับก็ไปวางออกไปซะอย่าให้มันกระทบแล้วจิตโยมจะปลอดปโปรง่งตั้งมั่นแล้วก็สงบด้วยการพิจารณาถึงความตายอย่างนี้เข้าใจน ะ, ะถ้าเข้าใจแล้วตอนนี้สิบเ็ดมงสิบห้านาทีแล้วเราจะมีเวลาฝึกเหลืออยู่อีกแค่สี่สิบห้านาทนะีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้โยมพักก่อนเผื่อใครจะเข้าห้องน้ อ่าประมาณสักไม่เกินสิบนาทีนะขอไม่เกินสิบนาทีก็แล้วกันเห็นใจโยมพราโยมผู้หญิงบางทีเข้างน้ำอาจจะต้องต่อคิวแล้วก็ยาวนิดนึงนะเวลาสิบเอ็ดโมงยี่สิบห้านาทนะีขอให้มาพร้อมที่นี่นะแล้วก็ช่วยหยิบกระดาษแล้วก็ปักกาด้านหลังด้วยนะเมื่อมาถึงแล้วเดี๋ยวจะต้องให้เขียนอะไรด้วยนะจะมีอยู่ที่ด้านหลังอานะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวโยมพักตา จิ่นป่า